ปาราชิกสิกขาบทที่สว่าด้วยการประพฤติตามภิกษุที่ถูกสงฆ์ลงอุเคปนิยกรรมเรื่องภิกษุณีทุลนันธา668สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณนะพระเชตวันอารามของอนาถาบิณฑิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นภิกษุณีทุลนันธาประพฤติตามพระอริ tha ผู้มี บรรพบุรุษเป็นพรานฆ่านกแร้งที่ส่งพร้อมเพียงกันลงอุเคปนิยกรรมแล้วบรรดาภิกษุณีผู้มากน้อยพากันตําหนิประนามพนทนาว่าฉไนแม่เจ้าทุลนันทาจึงประพฤติตามพระอริฏฐะผู้มีบรรพบุรุษเป็นพรานฆ่านกแร้งที่ส่งพร้อมเพียงกันลงอุเคปนิยกรรมเล่าครั้นแล้วภิกษุณีเหล่านั้นได้นําเรื่องนี้ไปบอกภิกษุทั้งหลายให้ทราบ